<c oughs> ให้รู้จากหน้าที่ของพวกเรา <c oughs> ในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะเพราะใจมันอยู่เฉยไม่เป็นจะนั่งอยู่เฉยๆได้ยังไง กิเลสตัณหาพานึกพาชิตทั้งวันทั้งคืนรั้วตัวหรือเปล่าพวกเราความนึกความชิดของกิเลสตัณหานั่นะชิดแล้วมันร้อนชิดแล้วมันเป็นโทกจะนั่งอยู่เนีย น, น, น, น, น นั่งให้มีความสำนึกรู้ตัวเออเรามีสติรักษาใจอย่าให้มันชิดไปตามกระแสของอารมณ์ของกิเลสให้มันอยู่ยังไงทีเนี่ยถ้าเผื่อไม่ให้มันเช็ดไปตามอารมณ์ของกิเลสแล้ว ให้อยู่กับอารมณ์เหมือนกันแต่อารมณ์ของศีลของธรรมอารมณ์ของบุญของกุศลมันเป็นคนดันเรื่องกับอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ของตัณหาความเยอทะยานอยากอย่างอยู่เรามีจตินั่งอยู่เงียบเงียบนิ่งเน่งเนี่ย ให้มีความสำเนึ้รู้ตัวอารมณ์ดีของใจใจมีอารมณ์ดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้ตัวอารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอารมณ์ของกิเลสพิสแล้วอารมณ์ดี มันเกิดจากลักษณะของศินสินคือความเรียบร้อยน น, นะอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเมื่ใช่ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆนะที่จะรู้ตัวว่านั่งอยู่รู้ตัวอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยนั่นกน็เพราะกำลังของสติและเลึกรู้รู้ตัวดูอารมณ์ของใจ เป็นอารมณ์ของศินของธรรมหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ของกิเลสมันบ้าทั้งวันทั้งคืนนั่นแะมันจะรู้ตัวมีจิตตตังรู้จากความดีได้ยังไงเข้าใจหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียบรอยเข้าใจหรือเปล่าเรือฟังเฉ ย, เฉย ถ้าเข้าใจก็มันมีในใจด้วยเห็นในใจด้วยฝึกมันมีในใจด้วยความหมายนะ่ะนะถ้าฟังเข้าใจไม่ใช่ว่าฟังเฉยๆฟังเฉยๆได้เลยเสียงสินเสียงธรรมที่เป็นเสียงคำบอกคำสอนเนี่ยมันจะเข้าจำดาเข้าหูวขวาไม่ออกหูซ้ายมันมีประโยชน์อะไรสินย พวกเราไม่ได้ต้องการเป็นแบบนั้นน่ะต้องการมาฝากมาฟังมาฝึกฟังในเหตุผลเรื่องศีลเรื่องธรรมฝึกฝึกในลักษณะของศีลของธรรมก็คืออารมณ์อารมณ์ของศีลอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์ดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ของกิเลสแล้วเพลดแล้ว ถ้าไม่รู้ตัวเราทำยังไงจ้เนี่ยนักโมหาความหลงทั้งวันทั้งคืน น, นั่นนะมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราจะไม่มีเตติเผือเตติปล่อยให้จิเลตันหาพาจิตพาใจคิดร้อยแปดปนเรื่องไม่มีขอบไม่มีเฉดก็ฟังได้ว่า ศีลคือความเรียบร้อยศีลคือความปกติกายปกติใจอารมณ์ดีอารมณ์เป็นปกติอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รู้ตัวรู้ตัวกระพจติเครื่องดึกดูดู้รู้ตัวคือรู้ใจนั่นเองลักษณะของใจจิริยาของใจคือความรู้ความเิดน่ะ ให้เนืกคิดอยู่ในอารมณ์ของสินของธรรมอย่างที่ว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไปเรียนเรื่องหน้าที่ของตัวเองจะไปเรียนยังไงไปฟังยังไงนี่แต่ฟังไม่เข้าใจความหมายกับเท่าเก่าผ่านเข้าใจหน้าที่ของพวกเราการนั่งนั่งอยู่เงียบ ให้เป็นความเงียบสงบมีตติรู้ตัวเมื่อมีตตุรู้รู้ตัวเห็นความดีของใจคืออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยความดีตรงนี้จะเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจทีนี้ถ้าเราไม่นึกไม่เรียนรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นอารมณ์เครื่องอยู่กระย่างว่านแล้ว มันอยู่วัดได้แต่ร่างกายแต่ใจไม่ได้อยู่ที่วัดนี่ทีมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเชาโลกเชาบ้านอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นนี่หน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของผู้มาฟังมาฝึกมาปฏิบัติฝึกอะไรฝึกกายวาจาใจของเราให้อยู่ในลักษณะของศีลของธรรม ปฏิบัติอะไรการปฏิบัติกายวาจาจใจของเราเนี่ยให้อยู่ในลักษณะของศีลของธรรมลักษณะของศีลของธรรมจริยาณดังนอกเรามีหูแล้วก็ฟังดิเรามีตากระดูดิกูบาอาจารย์หมู่เพื่อนทําให้ดูเวลาไหนเรื่องอะไรจะไปศึกษาที่ไหนแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้หูไม่ใช่ตาเป็นแนวทางศึกษา ผ่านเข้าใจเอาต่อไปให้นั่งสมาธิฟังเสียงธรรมเสียงเทศจากองค์น้งตาที่เนี่ยนานๆนานถึงจะได้มีเวลาพูดธรรมะกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะอาดขั น, น ย่อมเหลวไปโดยลำดับธรรมดาจนจะทํางานอะไรไม่ได้แล้วเพราะธาดขันเป็นเครื่องมือของธรรมเป็นเครื่องมือของขกิเลสเวลากิเลสทํางานก็เอาขันนี่แหละทางานยวอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ทางานธรรมะก็เอาขันอันนี้ ทำงานเช่นเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาทำงานแทนขันนี้ได้ขันนี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือของทั้งสายดีและฝ่ายชั่วคือฝ่ายกิเ็ษและฝ่ายทำเฉพาะอย่างยิ่งคือสัญญาเป็นํำขัญสำหรับผมเองรู้สึกว่าเด่นมากความจำหลงลืม พูดอะไรไปก็มีแต่หลุดตกหายไปเป็นระยะระยะการเทศจึงไม่สะดวกที่จะแสดงทำไปโดยลำดับเพราะต้องจะเรียกว่ากังวลก็ไม่ผิดรือต้องมีแง่ระวังสัญญานี้จะหลุดหายไปเมื่อตั้งท่าระวังอยู่งั้นก็พอจปรปฏิปตอกันไปได้บ้าง ดีกว่าที่ไม่ระวังและเทศไปโดยล ำ, ลำพังอยู่มากทีเดียวการสงสารหมูเพื่อนนั้นยอมรับว่าสงสารเพราะมาจากที่ต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่ผิดเพราะมาจากทุกภาคมุ่งขัดมู่ธทำมุม่งครูบาอาจารย์ที่จะชี้ช่องบอกทาง ที่ถูกต้องดีนามให้นำไปประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความถูกต้องและเป็นผลขึ้นมาโดยระดับเพราะฉะนั้นเรื่องครูอาจารย์จึงเป็นของสําคัญมากไม่ว่าครั้งพระพุทธเจา้าคือครั้งพุทธการและไม่ว่าครั้งใดสมัยใดจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะต่อไปอีกเกี่ยวก็เรื่องครูอาจารย์เป็นสําคัญนี้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 ยอมมีความอยากความต้องการอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วผลักดันออกมาตามช่องทางที่ควรจะออกได้เช่นตาความอยากไม่ใช่ตาเป็นผู้อยากแต่จิตเป็นผู้อยากเราก็เรียกว่าอยากดู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 วิเลสที่ออกเกี่ยวหากินเสียทั้งหมดเห็นก็สับแต่ว่าเห็นไม่สนใจความสนใจส่วนมากร้อยทั้งร้อยมักเป็นเรื่องของกิเลตพาให้สนใจดูพาให้สนใจฟังจึงต้องได้ตัดอยู่โดยสม่ำเสมอป้าหนึ่งวาหูหนวกตาบอดไม่สนใจกับโลกกับสงสารนี่หมายถึงภุมม ที่มุ่งต่อความดุดพ้นโดยไถ่เดียวความหนักแน่นในการระมัดระวังรักษาอาณาจักรของตนย่อมเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ในครั้งพุทธการอัานก่อแสดงไว้ในปัญจภิกขุคือพิกษูห้าองค์องค์หนึน่งหนักแน่นในการรักษาตาองค์หนึ่งหนักแน่นในการรักษาหูแต่ละองค์หนักแน่นเป็นในอิทนะแต่และอย่างละอย่างตาหูจมูกลิน้นกายเจ็บ นี่ท่านก็แสดงไว้แล้วนั่นแหละท่านมีความสนระมัดระวังอย่างนั้นเองมองเห็นสิ่งใดถ้าเป็นความตรงใจในสิ่งนั้นนักจะเป็นกิเลสเป็นส่วนมากสิ่งที่ไม่สนสิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือทำเพราะกิเลสไม่ให้สนใจจึงไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสาระคุณ แต่กลับไปสนใจในสิ่งที่ไร้าสาระแต่เป็นผลของกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่จึงเป็นการลำบากสำหรับการประพฤติธปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเสื่อมอย่าคลายอย่าชินอย่าชาในการระมัดระวังรักษาตัวเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้ใดตั้งนั้น กิเลสเป็นกิเลสบันดังคคำความโลภความโกรธความหลงราคะตันหาเป็นกิเลสบันดัติคำไม่มีความชินต่อผู้ใดแต่การปฏิบัติธรรมนี้กิเลสมักจะแท้ความชินเข้าไปความชินช้าแล้วก็ให้เกิดเป็นความท้อถอยอ่อนแอความนอนใจนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแท้แท้เราไม่รู้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะรู้กันจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาตัวเอง จะเห็นสิน่งใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมที่เรากำลังปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นี้ต้องฝากเป็นฝากตายกับธรรมอย่างนั้นแหละจิตใจจริงจะมีความสงบลมเย็นาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาเป็นจริยาว่าคำสั่งสอนนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ธรรมแท้ๆนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งจะปรากฏอยู่ในพระทัยและใจของท่านผู้สิ้นชีวิต เท่านั้นในบรรดาธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่อเรื่องของธรรมทั้งหลายเหล่านี้ตับศาสนาธรรมเนี่ยกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพยงเรียกว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผล น, นิพพาน สดสดร้ร้อนอยู่กับศาสนาธรรมนี้ไม่เป็นอื่นถ้าผู้ต่างใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมนี้แล้วอย่างไงก็เท่ากับว่าก้าวเดินไปอยู่โดยลําดับลาลาเช่นเดียวกับตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละไม่ได้ห่างไกลเลยท่านนอกเหนือไปจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามนี้แล้วแม้จะอยู่ใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าก็เป็นประหนึ่งว่าเลยหันหลังให้พระองค์ เดินคนละซีบละทางแต่เข้ากันไม่ได้เลยนี่หลักสาคัญอยู่ที่ตรงนี้ผมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามีความชิงชาต่อการบำเพ็ญของตนคือความอย่าชินชาต่อกิเลสที่เป็นฆาสศึกคอยกระซิบกระสาดอยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลานั่นแหละเป็นสาคัญถ้ามีสติเราจะทราบความกระซิบกระสาด ของอกิเลความฉุดความลากถ้าหยาบออกมาก็เรียกว่าฉุดว่า拉ทรายละเอียดก็เรียกว่ากระซิบประซาบให้เป็นความรู้สึกยิบยิบยักยับคิดอยากอันนั้นคิดอยากอันนี้นั่นแหละเป็นความส่วนละเอียดของมันเป็นอยู่ภายในแต่เราไม่รู้นี่เหรอการปฏิบัติทีนี้เมื่อเราก็อยู่ในทํากลางแห่งตลาดแห่งวัฒรรมผลนิพพานคือศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่ ด้วยแล้วโดยความเป็นนักบวชนักปฏิบัตินีแต่ไม่ได้ทรงมรรคทรงผลแม้แต่ขั้นสมาธิขึ้นไปนี้มันเกินเหตุเกินผลเกินความคิดความอ่านของคนทั่ ว, วไปจะคิดได้อ่านได้เพราะศานธรรมของบญธเจ้าเป็นของที่แน่นอนไม่มีความเป็นอื่น แต่เราประพูดปฏิบัติแม้เพียงความสงบนิดหนึ่งภายในจิตใจพอจะเป็นสมบัติของตนก็ได้ชมบ้างเป็นการเป็นเวลาหรือได้ชมในสมถะธรรมคือความสงบใจเป็นพื้นฐานของใจก็ยังไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเหล่านี้เร า, าจะอยากจะพูดว่ามันเลยเลวเลยอะไรไปหาคุณค่าไม่ได้เลย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 ซึ้นชื่อว่าทำที่ควรจะคาดถึงว่าน่าจะได้ผลอย่างนี้แล้วกลับตรบัดไปหมดนี้เรานี่แหละเป็นผู้เลวกว่าใครๆทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติจากความเป็นน้าบวชของเราแต่ผลที่พึงได้รับเป็นศัพท์อุพยานในการบำเพ็ญทุ่งตนนี้ไม่ปรากฏเลยนี้มันพิลึกตื้อคือเอาเกินไปขอให้ท่านทั้งหลายจงจำข้อข้อนี้เอาไว้อย่างไรต้องให้ได้ส่ง ตลาดหนยมรรผลนิพลาณนก็ตั้งแต่ความสงบนี้แหละขึ้นไปสงบเริ่มสงบนั่นเริ่มปรากฏผลแล้วสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏผลเด่นจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาบริมุขหลุดพ้นนั่นแหละคือมรรคผลนิพพณ์จากสาร ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศตรงวานมาแล้วสองพันห้าร้อยปีนี้แล้วเหียกว่าผลสมกับชื่อกับนามของของเราที่ เป็นนักปฏิบัติจาความเป็นนักบวชมาด้วยดีแล้วเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ว่างที่สุดเป็นเพศที่ใครก็ให้เกียรติเฉพาะชาวพุทธของเรานี่ให้เกียรติทั่วประเทศแม้ทางราชการงานเมืองก็ให้ความสะดวกทุกส่่งทุกอย่างไม่มาแตะต้องไม่มายุ่งเอดโอกาสให้บาเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของผู้เป็นนักบวชนั่นแหละทุกๆุกรายไป แต่เราเป็นผู้เป็นรับบวชและเป็นรักปฏิบัติไม่ปรากฏผลเพียงแม้แต่ความสงบเลยนี้มันพลิกเอาเสียเกินคาดเกินหมายขอให้คิดในข้อนี้ให้มากทํำไมจริงสงบไม่ได้กเพราะการรักษาตัวไม่ได้นั่นเองรักษาใจไม่ได้ใจจริงต้องวอกแวกคอนแคลนหาแต่ปืนแต่ไฟมาผ่าไม้ตนเอง จากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีการการปิดการกั้นกันบ้างเลยใจก็อยากอะไรก็พุ่งออกมาทางตาอยากอะไรก็พุ่งมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีช่องที่ปิดไว้บ้างเลยนี่มันเป็นยังไงภาพกานพิจารณาก่อนนี่ถ้าว่าเราได้ปิดช่องเหล่านี้ไว้บ้างมีความสังรวมระวังจิตมีสตินะครับประคองอยู่แล้วทําไมจะสงบไม่ได้ไม่มี ต้องสงบโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะระมัดระวังรักษาตัวเองที่ว่าสังวรธรรมคือสังวรวมตนอยู่ด้วยสติรักษาใจไม่ให้คิดจะสายไปในสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นภัยก็ประกาศตังวานมาตั้งแต่ฟันพระพุทธเจ้าต่ส ร, รู้แล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัย มีประจําศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันตรัสรัลูและทั้งจดจารึกมาก็จดจารึกเอาสิ่งที่มีที่เป็นตามหลักธรรมที่ขั้นสอนมาแล้วมาทั้งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยเลื่อยมาจนทั้งบัดนี้รูปเสีย ง, งลกลิ่นรถเครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นยังไงมีไหมในธรรมะของพระพุทธเจ้ารูปชนิดใดเป็นภยัยรูปชนิดใดไม่เป็นภยัยเสียงชนิดใดเป็นภยัยกิน รถเครื่องทามัดท่านี้ได้เป็นภัยไม่เป็นภัยบอกไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ในหลักศาสนาธรรมเหตุใดเราเหตุดได้เราจรึงคัดจึงเลือกไม่ได้เหตุใ ด, ดเราจรึงปัดจึงหลบหลีกมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราได้ยินได้ฟังมาด้วยกันปฏิบัติมาด้วยกันปฏิบัติยังไงถ้าไม่ปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติยังไงหรือว่าเพื่อกว้านสิ่งเหล่านี้เขามาเผาต้นเด่นอย่างนั้นหรอือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เรียกว่าการปฏิบัติ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 จากความแล้วหรอแล้วแหละทุกเอาเผากินอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปพอค่าเวลาไปค่าเดือนค่าปีไปที่เลือค่าหวัวเราหวัวใจเราเราไม่ได้คิดแบบนี้มันเป็นความเสียหายอย่างยิ่งเราไม่ได้ทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทําอย่างนั้นพระองค์เองก็ไม่เคยบําเพ็ญอย่างนั้นมาแล้วดูที่พระประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกออก เสลต์ออกสมหนวดเด็ดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกสมผนวดรู้ที่พระราชโอรสลาหุนปัชชายามีคุณค่าขนาดไหนอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าทั้งสองพระองค์นี้พระองค์ไม่ได้เฉลต์เข้าไปเยี่ยมไปมองเลยทั้งๆ ท, ที่อยากเสด็จเข้าไปชมพระราชโอรสคือพระราหุนก็กลัวจะเป็นภัยต่อกัน เสด็จออกบำเพ็ญของพระองค์ยิงไม่เสด็จเข้าไปตัดพระไทยออกนี่เด็กไหมฟังส่นะเดีวคนตั้งหลายเคยเห็นไหมว่มาออกเวลาออกบวชเลดฉกเลิดฉกได้ขโมยไปเงยเียบๆถึงขนาดที่เป็นกรรษัตริย์เช่นนั้นเลยทำแบบคนอนาถานั้นเคยมีไหมแต่พระพุทธิช้าสูงบำเพ็ญเต็มพระองค์ด้วยวิธีการนี้ไม่ให้ใครทราบเลยมีพระฉันฉันฉ น, นาอมาตเท่านั้นปิดตามังสิ เลตไหมเราฟังไปโดยําดับนี่ละปฏาดาของเราแบบแผนของเราที่จะก้าวเดินให้สมธธกับว่าคุทธทางแสดงกระฉามีถึงพระองค์เป็นเส น, นะถึงอย่างนี้ที่ดูแบบแผนตำลับตำนาสแสดงว่าอย่างไรนั่นแหะคือทางก้าวเดินของพระองค์เป็นหนึ่งว่าให้มาตามตถาพุให้มาตามตถาคุณเ ว, าวาลาเจตเดชเข้าไปอยู่ในป่าในเขาทุ้งยากลำบากแค่ไหนในป่าในเขาใครจะไปยินดีใครจะในเพศของ ดูสีดาบทั้งนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระก็ต้องเป็นดูสีดาบทไปตามความนิยมของคนในสมัยนั้นๆนั่นแหละสเสวยปกระยาหารเป็นยังไงในตำราก็มีแล้วจนผมจะทรงอาเจียนออกมาตั้งทั้งที่ยังไม่ได้สเสวยก็จะอาเจียนออกมาแล้วเป็นยังไงพระองก็ดัดพระองค์ลงสูบภาตุธรรมะหลักธรรมชาติเรื่องเข้ากันได้ปรับเข้ากันได้ ทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนระตัดสรุวันที่จะตรัสสรุนั้นเอาอีในขณะที่ทรงบำเพ็ญหยิบถึงขั้นส ล, ส ล, สลนุปจะไหลนี้ก็เราก็ได้เห็นเด็ดไหมไม่เด็ดสรุปได้ยังไงถ้าไม่ฟื้นก็ตายเท่านั้นไม่เรียกว่าเด็ดได้ยังไงเด็ดขาดขนาดไหนเด็ดเดียวขนาดไหนสัตยดาของพวกเราแล้ววันที่จะระตัดสรุกก็เหมือนกันประทับใต้ร่มโพธิ์ ถ้างสรงตั้งสัตย์ฐานขึ้นในสถานที่นั้นเวลานั้นจะให้ตรัสรู้ในสถานที่นี้แห่งเดียวหนึ่งหนึ่งถ้ามาันตรัสรู้แล้วก็ต้องตายในฐานที่นี้การที่จะยอมลูกจากสถานที่นี้ไปแบบแบบโมคาบรุนนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วสําหรับศรริริาราชจุฬามคนนี้นะแล้วทรงเด็ดขาดใม่ฟังทีนะ่ไหนจนกระทั่งได้ตรัสรหากว่าพระองค์แไมไ่ตรัสรู้แล้วนั่นคือปาชาของพระองค์ในสถานที่นั้นๆในสถานที่นั้นนั่นแหละ ไม่เป็น ส, สถานที่อื่นใดนั่นะแต่นี้ได้ตัสดสรุปแล้วเป็นได้เสร็จออกโปรดสับเลื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายปุวันนี้ เ, าาน เ, เด็ดหมายพิจารณาเลยนี่หละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ปรากฏขึ้นในประเทศไทยปรากฏขึ้นมาจากวิธีการได้เด็ด ข, ด ข, ดขดาดๆทั้งนั้นกับกิเลสต้องเอาให้หนักเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนที่มีความอ่อนแอทอแค่เหลวไหลเหมือนพวกเราบําเพ็ญทำ ความอ่อนแอของการบรรเป็นธรรมคือเรื่องของกิเลสทําให้อ่อนแอทางด้านธรรมะแต่กิเลสมีความเข้มแข็งอยู่ภายในตัวของมันเองโดยลำดับลาดากล้คิติดพันกับจิตกับใจของเราพระอาการต่างๆมีแต่เรื่องของกิเลสแทรกซึมอยู่หมดถ้าจะว่าเม็ดหินเม็ดทรายกับทุกเม็ดหินเม็ดทรายไม่ไม่มีเล่นเลยว่ากิเลสจะไม่แทรกใจของเราทั้งดวงนี่คือกิเลสทางนั้นหุมห่ออยู่หมดแสดงอาการกับจิยาอันใดออกมามีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องกิเลสความรู้ การทำที่จะได้รู้เหตุรูปผลยิบยิบเยีบเยีบในขณะที่กิเลสแสดงตัวออกมานั้นมันไม่มีมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมาเราจรึงไม่รู้เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งในเวลามันมืดมันมือดอย่างนั่งหมอใจดวงนี้พระท่านท่านจึงสอนให้พยายามให้พยายามสร้างสติเหนี่ยสตินี่เป็นประโยชน์ปฐม <c oughs> มัจวที่หนึ่ง แห่งการบําเพ็ญแห่งการก้าวเดินของเรามีสติเป็นสาคัญเมื่อตั้งสติลงไปในจุดใดจุดนั่นจะปรากฏความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกทั้งแงน่ธรรมะทั้งแหน่กิเลสขึ้นมาเพราะทั้งทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแต่ไม่มีสติทราบไม่ได้กิเลสเต็มหัวใจก็ไม่ทราบ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 และรู้เรื่องของกิเลสที่มันอยู่ภายในจิตใจซึ่งแสดงออกมาทุกระยะกาศตรงในทธาตุสติให้ดีแล้วพิจารณาในทางด้านปัญญาก็พิจารณาโดยยกธาตุขันธ์นี่ยเป็นสําคัญขึ้นมาวายเราท่านท่านนี่หรือวายใดก็าตามไม่พ้นที่จะต้องพิจารณาเรื่องอจูพะอรูพังทุกขังด้วาจัณฑาตาไปไม่พ้นอจูพะอรูพังนี้สําคัญมากสากสหรับวายเราท่านๆพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ เป็นความไม่สวยไม่งามความแปรสภาพดูตั้งแต่ผิวขึ้นเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในรอบตัวทั้งข้างบนข้างล่างให้เห็นตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันซึ่งไม่ใช่เป็นของสะอาดเลยมีแต่ของสกรปรกโสมมทั้งนั้นออกมาจนถึงผิวหนังก็ยังไม่พ้นความสกรปรกโสมมที่เรียกว่าขี้ใครว่าไงนันแสดงออกมาเป็นตัวของเราเพราะข้างในมันสกรปรก เม อ, ออกมาข้างนอกก็ทําให้สกโรกปลวกปฐมตามกันมนุษย์อยู่ที่ไหนต้องซักต้องเฝ้าต้องทําำําระสะสาไม่งั้นดูไม่ได้อยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดยิ่งกว่าสินทั้งหลายที่กองกันอยู่เขาไม่เป็นอะไรเช่นกองฟืนเขามีความเหม็นคลุ้งที่ตรงไหนมีความโศกรปกรกสมมุติที่ตรงไหนถ้าเป็นกองมนมุษย์และเอาดูสิหนะมทั้งเป็นๆนี้แหละมันก็เป็นกองต่ชาช้าผีดิบขึ้นมาในนั้นยิ่งตายด้วยแล้ ว, ลวดูไม่ได้เลยน่ะ ทำไมเราจรึงฝืนเอาความจริงออกนั่งหนาว่ามันสวยมันงามมันน่ารักใคร่ชอบใจมันยี่ลังถาวรฝืนไปทําไมฝืนทำมาของบุรุษเจา้าเราทราบไหมว่าความฝืนอันนี้คือเรื่องของกิเลสที่มันจุดมันลากเราเนี่แหละเรื่องกิเลสมันจุดมันลากมันจุดลากอย่างนี้ไปฝังจมไปไหนนั้นแล้วยังจุดยังลากเข้าไปเรื่อื่ไปนี่คือทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอยู่เรื่อยๆในเวลาที่จะ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 รู้อยู่ทั้งตัวนี่แหละแต่เวลามันออกไปวิเดศออกไปหากินพาความรู้นี้ออกไปไม่รู้นั่นเพียงต้องอาศัยคำบุริกรรมเช่นพุโทโธหรือทำบทใดกรร็ตามที่ถูกเจดิติสัยของตนแล้วนํำทำบทนั้นมากํากับใจให้อยู่กับทำบทนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นเพราะหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่คำบุริกรรมเช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นกับความรู้ที่กลมกึงกันอยู่เท่านั้นไม่มุ่งไม่หวังว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรไม่ต้องคาดต้องคิดให้อยู่กับ ความดุ้ยเท่นั้นแล้วจิตจะแสดงผลขึ้นมาในงานที่ทํานั่นแหละไม่ออกจากที่อื่นในจุดที่ทํานั่นแหละคือจิตดวงนั้นจะสงบตัวเข้ามาให้เห็นต่างๆชัดเจนเพียงจิตสงบเท่านั้นถ้าผู้ไม่เคยเป็นเลยก็มีความตื่นเต้นมีความปีติยินดีเป็นเพราะเป็น ส, สุขสุขอันนี้ไม่เหมือนสุขอันใดเพราะฉะนั้นจริงเกิดความตื่นเต้นนฮะคือความสุข ที่เกิดขึ้นจากความสบับหบเพียงเท่านี้เราก็พอให้เป็นอาหารเครื่องดื่มของใจแล้วถ้ายิาง่งมีความสงบไปเรื่อยใจสบายผู้มีสมาธิเป็นผู้มีความสบายสบายขั้นนี้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะขั้นสูงแล้วมันมันสบายอันนี้ยังไม่จัดว่าเป็นที่สบายตามหลักศาสนาธรรมอย่างแท้จริงเพียงเป็นที่พัก ที่สงบจิดให้ได้ก้าวเดินด้วยทางปัญญาเมื่อได้ก้าวเดินด้วยทางปัญญานั่นแหละที่นี้เป็นทางที่จะแก้ที่จะตอบถอนยิเล็ดความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีมันเต็มอยู่ในหัวใจคุปคร่าวกันอยู่กับร่างกายชนต่างๆเต็มไปหมดมีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความรักความตำหนัดยินดีแทรกอยู่หมดทุกขุมขนของเหล่านี้ทั้งภายในภายนอกเพราะด้านจริงต้องพิจารณายแยกแยะสิ่งเหล่านี้ ถ้ามันเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันแล้วมันจะได้ถอนตัวเข้าไปโดยหลักธรรมชาติเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นนี้เป็นอย่างไรนะมันก็ถอนตัวเข้าไปที่เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นนี้มันยึดเองมั่นเนี่ยหนามันคงเองอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นจิงตรงเลยแยกเลยแยกด้วยปัญญาเพียงเราจะกําหนดถอนออกมาที่เฉยที่ถอนไม่ได้กิเลสประเภทนี้ลึกรับลับซ้อนมากจึงตงเลยใช้ปัญญาพิณนะิพิจนาคล้ายเห็นตามหลักความเป็นจริงของมัน หลายครั้งหลายหนหลายตลบทบควรไม่ต้องกำหนด เ, ลลเวลาและเที่ยวที่ทำว่าจะได้กี่กี่เที่ยวแย่กันพิจารณากันนั้นถือเป็นอารมณ์เยียบย่างไปมาอยู่ในนั้นด้วยสติปัญญาของเราแล้วต่อไปก็เกิดความเคยชินเป็นธรรมะขึ้นมาความเคยชินนี้คือค่อยคล้องตัวเข้าไปเห็นชัดเข้าไปเรื่องอรสุภอสุพังก็เห็นชัดเรื่อง อ, อนันิจ้กลงความแปรสภาพก็ชัด เรื่องทุกขังคือความเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายและจิตใจนี้ก็เป็นก็ชัดอนัตตาหมดทั้งตัวทั้งจิตนี้เอาอะไรเป็นสาระได้ที่ไหนเห็นจิตก็จิตกิกตกเลสฝังอยู่ในนั้นจะเอาเป็นอะไรได้เรียก อ, อนัตตาก็เป็นแบบเดียวกันหมดนะนี่แหละเรื่องการพุทรนาทางด้านปัญญาพุารณาอยู่นั้นให้ปล่อยวาง ไม่ถือการสถานที่เวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการกําหนดการพิจารณาเรื่องของตัวเองนี่คือผู้บำเพ็ญแล้วจิตใจก็จะเบื้องต้นก็จะสงบดังที่ว่าด้วยสมาธิต่อมาก็จะมีความสว่างกระจ่า ง, า ง, งด้วยปัญญาเห็นชัดในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ในร่างกายนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกไว้เพียงเจสารูมานะขาตันตาตาโจในเวลาบวชทีแรกคือผมขนและฟันหนังนี่ จากนั้นก็ให้ที่คายเข้าไปเนี่ยเป็นกระดูกเข้าไปเรื่อยๆ เ, เข้าไปนู้นยัแล้วจากนั้นเราพิจารณาเองนี่จะแยกคายจิ้งกว่านั้นเข้าไปอีกไม่นับไม่ํานวณก็ตามแต่มันจะซ่านให้มันไปหมดโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติที่รู้เห็นวตัวเองเกิดขึ้นภายในตัวเองนั่นละ่ะเป็นปัญญาประเภทที่ถอดถอนกิเลสไปโดยลําดับลําลาคำว่ากิเลสก็คือความเจ้าหมองมือตื้อที่สร้างความทุกข์ให้สัตว์โลก ได้รับอยู่ทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้รายเดียนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเือเรียกวิเลศสร้างแต่กองทุกข์จะสร้างอย่างอื่นไม่สร้างวิเลสสร้างแต่กองทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายนั้นสร้างแบบความลภยุ่มหลงก็คือกิเลสเนี่ยกองทุกข์คือผลของมันก็เป็นกิเลสก็ก็ออกมาจากวิเลศนั่นแหละเป็นทุกข์อันนี้เราสมุทัยคือผู้ค้นวคว้าหากองทุกข์ก็ได้แก่วิเลศทุกข์ก็คือผลของกิเลศที่ค้นคว้าหามาได้แล้วก็เผาเรา ไม่ได้เผากิเลสแต่มันเผาตัวของเรา<ม>เผาใจของเราให้ร เ, เราขมขู่ก่อนระบากนี่ทางจิ่งสอนในเรื่องมรรคมรรคคืออะไรสัมมาสติพิจารณาละลิทธชอบอยู่ในภายในร่างกายของเรากายใดก็ตามถ้าเรื่องพิจารณาให้เป็นอัจฉริยธรรมแล้วเป็นมรรคแด้ทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในเป็นมรรคได้หมดภาพพิจารณาอะไรทางผูกพันแล้วก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายน์ภาในเช่นตัวของเราเราสำคัญเราสวยว่า ง, งามสงวนรักษา เพื่อความสวยความงามของตนอันนี้เป็นเรื่องของสมุทัยล้นล้วนถ้าเราพิจนารณาเรื่องภายนอกเราพิจนารณาเรื่องความไม่สวยไม่งามเรื่องความแตกกระจาย ก, กระจายทําลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแต่ น, นั้นก็เรื่องเป็นเรื่องของมากรายหมดนี่การพิจารณาไม่ไม่มีคําขอบไม่มีขอบเขตนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาหมายถ้ากันตั้งอกตั้งใจมาอยู่นี่ก็มากต่อมากครับ จนไม่มีที่อยู่แล้วสลาเลยกลายเป็นกุฏิของพระไปแล้วนี่ฟังด้วผมก็พยายามแนะนําสั่งสอนตามสดิกำลังความสามารถของตนได้เท่านี้จะให้มากกว่านี้ผมก็สอนไม่ได้แล้วเวลานี้เา่าฐานก็อ่อนลงไปทุกวันทุกวันท่านภูมาอยู่ก็เพิ่งคำหนึงถึงการมาของตนผู้รับไว้ก็รับไว้ได้วยความสงสารแล้วผู้อยู่ก็เพึงรู้จักประมาณการอยู่ควรจะอยู่ขนาดไหนควรจะไปเวลาใดเพราะ ไม่เลยอยู่ในสำนักนี้เป็นราคันตุ ก, กะคือผู้จรมาก็ให้เพิ่งทราบกําหนดเรื่องเวลาเวลาที่เหมาะสมของตนเองจะได้ไล่ออกเวลาเข้ามาก็าง่ายเวลาจะไปล้นยากไม่ถูกเป็นคนไมเน่เห็นแต่ตัวอันนี้ก็เป็นกิเลสแทรกเข้ามาผู้อื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะวัดนี้มีพอดีเหมือนกํนำลังที่เต็มแก้วเธอเอาน้ําที่ไหนมาเทมันก็ล้นออกหมดไหลออกหมดนั่นแหละ วันนี้มันเต็มแล้วมีมากมีน้อยเท่ไรก็ต้องล้นต้องไหลออกไปเราก็ต้องรู้อย่างนั้นผู้มาดูก็ดีให้รู้จักประมาณ <c oughs> ออกไปก็ให้ไปบปําเพ็ญตนในสถานที่ใดทําจะเกิดให้ตอบเสียหายในฐานที่นั้นสถานที่ใดกิเลสจะเกิดให้ระมัดระวังอย่ามีความชินชาอย่าเป็นพระธทันสมัยอย่างที่เขาออกในนิพพินก็น่าทุเลกนะโอ้อย่งที่พูดนั่นแหละอย่างที่เทพถึกไปที่ตรงไหน เกี่ยวกับเรื่องเทวทัตโทรทัศน์วิดีโอสุดท้ายมันก็นมาประกาศออกมาอย่างโอ้ยอย่างน่าอายเหลือเกินแแบบมุดดินลงด้วพระของเรานี่ส่องสมตัวเป็นโจรเป็นมานแล้วจะฉกลับสิ่งอย่างนี้แหละ น, นี่เราขอพูดเันยอดๆเท่านั้นคงว่าพระต่ังติเป็นยังไงถึงต้องไปทาอุจจาระตาที่ขนาดนั้นดูไม่ได้เลยนี่ มีเพราะความอยากอยากจนลืมอะไลืมทำอยากจนหน้าด้านอยากจนหน้าหาความอายไม่ได้เลยความอยากดูเลยเห็นอยากให้เป็นเหมือนดั่งคาโลกครับโลกเขามีเขา อ, อยากมีเราไม่ใช่โลกเราเป็นพระเราเป็นธรรมล้วอาศัยธรรมอยู่กินอยู่หลักนอนกับธรรมพึ่งเป็นพึ่งตากับธรรมแล้วเอาโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเด็นอย่างนั้นมันไม่ถูกมีก่อนยังสเ ส, ะสะาะแสวงหามาได้ด่างไม่อายใครเลยนี่มันเกินไปพระเรา นราแิลทําให้ศาสนาเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปก็พุทธบริษัทนั่นแหละทางพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วว่าผู้ที่จะทําศาสนาให้เสื่อมกดีให้เจริญก็ดีจะเป็นใครที่ไหนไปนอกจากพุทธบริษัทนี้เท่านั้นคือภิกษุอุบาสกสิการฆราวาสญาโยมกับพระนี่เท่านั้นแหละท่านเล่นทั้งเรานี่ที่จะทำให้เจริญก็ดีทําให้เสื่อมก็ดีแต่เวลานี้มันมักจะมีแต่ทาให้เสื่อมทําให้คิปหายเลยสิที่จะทําให้เจริญไม่ค่อยมีเช่นสิ่งที่กลามาเหล่านี้มันเป็นเรื่องความคิปหาย เหมือนกับไฟเผาโลกกันเองแล้วเอามาเผาทำไมเผาวาดเผาวาเผาถ้าเผ า, า, า, าเองเผา ห, หัวตัวเองมันมีอย่างหรือเราก็รู้ด้วยกันทุกคนมีตามแบบตามฉบับอยู่แล้วธรรมะท่านสอนไว้หมดแล้วทําไมจึงน่าดื้อ น, น่าดังไปเสาะไปแสวงหามาสิ่วนี่นี่แหละที่ว่าทําลายศาสนาก็คือทำลายอย่างนี้เองจะไปทําลายที่ไหนศาสนาเป็นของส่วนรวมที่ชาพุดของเราทั้งหลายได้นับถือเมื่อเพลินผู้หนึ่งทําความเสียหายึ้นมาก็ต้องกระเทือนกันหมดทั้งประเทศทีซึ่งเป็นชาพุดด้วยกัน นี่แล้วเห็นกันอีูแล้วอย่างนี้มันของของอยูเมื่อไหร่ท่านสอนให้หลบให้หลีกทำท่านสอนให้หลบให้ลีกไม่กล้าให้หานสิงที่พูดแล้วเหมือนอย่างที่พูดแล้วตะกี้นี้สิงไม่ควรดูอยาดูสิงไม่ควรฟังอยาฟังเช่นอย่างนี้เป็นของควรดูเมื่อไหร่เป็นของคนรฟังเมื่อไหร่เป็นของควรสัมผัสถูกต้องมันได้เมื่อไหร่เป็นของเป็นของที่ควรสนใจไม่ได้อะไรนอกจากตัดออกตัดออกกรดโดดเริ่มนอก ไม่้มาผ่านเลยทางตาหูจมูกดิ้นกายแม้แต่จิตยังไม่ให้จิตเลยเรื่องเหล่านี้ทําไมเราจรึงต้องประเจาะแสดงหามเอามาเผาศาสนาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศให้คิบหายล่มจนมไปตามๆกันเพราะเราเพียงคนเดียวรายเดียวนี่มันสําคัญหรือเราเพราะเรากเพราะพระนี่ซะด้วยนะเพราะพระเราเนี่ยมันอุจาระขนาดไหนพินายาบลนขนาดไหนขอให้ท่ท า, า น, น, น, นทั้งหลายฟังไว้จําไว้สอนนี่สอนคนทั้งหลายผู้ที่มาศึกษาอบรมอยู่ในสถานที่นี้ถ้าได้รู้สึกตัว อย่าให้เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้วภายนอกนั้นอย่าให้มันกลับมาเป็นเรื่องตัวเองใชเองให้มีความขยาดขยะงเอาที่เลีมันต้องการเราให้หักทีเรียนเอาให้อย่างแรงเอาให้กีเรียนคอขาดทุกทีที่เวลานี้มันมีแต่กี่เรียนเอาเราคอขาดนะอถูกลากถูกไถไปอุ้ยถูกแบบทุกเแบบแหน้าสลดสองเรื่นะเวลานี้ศาสนาเลยจะมีแต่ชื่อในตำลักตำราเท่านั้นแหละและความประพฤติปฏิบัติของผู้นับถือศาสนานี้มันจะไม่มีเวลานี้นะ ถ้หมดไปหมดไปเรื่องผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วมีถมไปตามร้านตามตลาดอยู่ที่ไหนก็มีอันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกเขาทราบว่าเราคือนักบวชที่ทรงผ้ากาสาพาัสคือผ้าย้อมฝากไม่ใช่ผู้ทูลูทู ก, กังไม่มีหิโอดตป่าภายในจิตใจเพศนี้เป็นเพศที่มีหิโอดตป่าอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าและศาสนาคือศาสนาอุเบกตลอดทังสาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์ เป็นเพศที่มีเฮดีโอต ป, ปะเป็นเพศที่มีเหตุมีผลทั้งนั้นคล้องผ้ า, ากาสาวผัดนี้แล้วพวกเรามาคอมาทํามจึงเป็นเทศเพศเทวทัศน์ก็ได้เทวทัตองก็ก็ตําหนิทําท่ากการตําหนิอยู่แล้วแล้วทําไมเราจริงมาสมัครเป็นได้บางทั้งที่ก็รู้อยู่สิ่งเหล่านี้ให้จํามานะทุกทุกทุกองค์ทุกองค์ที่มาทึกษาบรมอยู่ที่นี่อย่าให้มีเป็นอันขาดนะถ้าไม่อยากค้อขาดบาดตายแล้วกอย่าอย่าให้มี ถ้าองคไหนกล้าแล้วเอาเถอะว่างั่นเลยหมดถ้าเป็นสัตว์ต้มีเจ้าของคอยแต่จะพึ่นเขียงเท่านั้นเองเพราะศาสนาร่วงมาเพียงตอนนี้มันก็น่าทุเล็ดนะมองไปมองไปแม้แต่ในวัดเหล่านี้ไม่ว่าที่อื่นที่ใดไม่มีด้วยเจตนาก็ตามสิ่งที่เป็นทุเล็ดมันก็ต้องเป็นทุเล็ดบรรจงทำสิ่งที่หน้าติมันก็ต้องได้ติอยู่นั่นแหละสิ่งที่มันขวางมันต้องขวางต้องเลยสุดดาราว่าเก่ากันอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้เอง จึงให้ระมัดระวงังความไม่มีความไม่มีเจตนาจะไม่เป็นกิเลสได้หรือมันเป็นกิเลสได้มันขวางได้จึงต้องได้ระมัดระวังกันให้สอนสติเข้าไปให้เด้รู้สิ่งสิ่งที่ไม่มีเจตนานั่นมันขิดหรือถูกนั่นทำไมเช่นนั้นไม่ได้นะโอหมดไปหมดไปสายนนะ่ะฟังจะ โ, โอโหโอโหเถอมันปกดอุทานในใจไม่ได้นะขอดามีหงงมูมีใจมีมันอดทิศไม่ได้ ตาทั้งวันมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ใจมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเนี่ยใดมันก็คิดอยู่ตลอดทําไมจะไม่ทราบเหตุทราบผลเรื่องความดีความชั่วผิดถูกต่างๆของโลกของภายนอกภายในละ่ะมันต้องคิดมันต้องรู้อยู่โดยดีแหละมันขอให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังนะเดี๋ยววันนี้จะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วยังไงแล้วยังจะเต็มวัดเต็มมาอีกก็หมดนะศา ส, สนาพุทธเราเรื่อง ชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าแหละมันเรื่องของเขานี่เราสอนพระของเราเดียวพระก็เป็นพระกรรมาฐานซะด้วยจึงต้องสอนตรงอย่างเด็ดขาดถ้าผูดตั้งใจมุ่งอัดมุ่งทำํำจริงๆแล้วเด็ดขาดยามีให้มีเป็นอันขาดฟังเลยฟังมาอย่างนั้นอย่างนั้นเลยให้ปฏิบัติอย่างนั้นทีเดียวถ้าใครยังดื้อ ย, อยางด้านยังหานทํำไปแล้วก็บอกว่าแต่หาหลวงมาไว้เลยเผากันทั้งเป็นเลยล่ะพระองค์นั้นจะเอาไว้เลยมันหนักศาสนาของพุทธเจ้า อยู่ในวัดใดก็ให้เผาไปเลยวัดไหนไม่มีเหลือเลยถ้าลงมีพวกเทวทัศน์วีดีโอนี้เข้าไปเอฟตัววีดีโอนี้สําคัญมากนะแหนนรกจกเปรตเต็มีทั้นหมดเรื่องต่างๆนาน า, นาทั่วโลกนี่แหละดินแดนน่ะมันรวมเข้ามาในวีดีโอทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดมาจากบ้านไหนเมืองใดมาจากเมืองนอกเมืองในไม่สําคัญมาได้หมดมาเผาั้งหมดนี่ต้นเหตุก็คือเทวทัศน์โทรทัศน์น เป็นฐานที่ตั้งของสิ่งเหล่านี้จะมากรองอย่างนี้แบบเผาวัดเภาวาหมดล่ะที่นี่ออตตาไม่มีเมื่อมันด้านจริงๆแล้วก็เหมือนส้นเทา้าเปแต่งไงส้นเทา้าลงมันด้านแล้วมันเลยไม่เหมือนหนังที่ละเอียดนะหนังอ่อนหนังละเอียดเป็นอย่างหนึ่งถูกอะไรก็เจ็บก็ปวดแสบร้อนอย่าง ร, าา ว, ดรดางวดเร็วแต่อหนังเท้านี่ส้นเท้านี่ไม่นะเอมันด้านขนาดนั้นใจของของพระนินเราทัดลงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละ เป็นข้าเหรนส้นเท้ามันด้านนี้กว่านั้นแล้วก็ทําลายไปเรื่อยๆศาสนาทําลายจิตใจประชาชนชาวพุทธให้ล่มจมทิพย์พาไปตามๆกันเพราะการทําทของตนนั่นแหละนี่จึงให้ขอให้ทาากันคิดให้มากนะเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เขาเขาวาการตั้งคืบพิมพ์ฮะให้เห็นเป็นพยานที่เราสอนไว้แล้วเราได้อ่านดูแล้วโอ้หน้าสลดสังเวีนนะเลยเป็นแจ้งจนวนเข้าไปจครักสิ่งเหล่านี้เข้ามา ในวัดในว่าเขาวัดเขาว่าเออนักเลยเอาละตอนนี้พอดูว่อนมันเท้จริงแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนะการตั้งใจฟังทรมาภากปฏิบัติไม่ได้มีอะไรมากมาย มีอยู่สองระบบตัวเดิมมีอยู่สองอย่างตัวเดิมให้ใจของเรามันอยู่กับอะไรถ้าอยู่กับกิเลสเพจแล้วเพจหน้าที่ของพวกเรามาปฏิบัติธรรมแล้วจะให้อยู่กับศีลกับธรรมให้อยู่กับธรรมตติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมทํายังไงจะรู้ตัวจิเนี กลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนาะริยบทใจของเรามันอยู่กับประไล่สองอย่างเนี่ยส่วนมากมันอยู่กับอะไรถ้ามันยังไปอยู่กับเรื่องกิเลสตัณหาเยอะเกินควรไหมที่เดนมันจะมาอยู่วัดปฏิบัติเขาว่าปฏิบัติปฏิบัติใจให้ไปอยู่กับในสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อไหร่จะมีสติรู้ตัว เราพอรู้ตัวก็รู้อย่างที่ท่านว่าท่านบอกท่านสอนนี่แหละหายใจอยู่กับศีลกับธรรมตติธรรมจะมาที่ธรรมปัญญาธรรมดูอะไรยึงไม่เรียกว่าปัญญาแต่ดูท่าสี่ขันห้ารูปร่างกายเจสาราโลมานาขาทัานตาตาโจอเป็นของที่ตกกระป๋องมาจะเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขา เพียงแค่ธาตุสี่มาสมมดกันขึ้ื่อนธาตุสี่ธาตุาดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใจมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าอาศัยอยู่จนอย่างนี้ตลอดไปธาตุจักรสีอันนี้จังควรเป็นโทุกอีกทีเนี่ยเป็นโลกเป็นภยัยทนไม่ไหวมันก็นตายจากแต่จิตใจไม่ได้ตายทีเนี่ยเมื่อจิตใจไม่ตายทยํายังไง ใจจะให้ใจของเราไปอยู่ตรงไหนสิเนี่ยอย่างน้อยๆการมีบุญมีกุศลมีเครื่องอยู่เครื่องนําไปเครื่องคุ้มครองเครื่องปกป้องเครื่องรักษาอาศัยแรงบุญแรงกุศล น, นั่นนี่จากเราตั้งใจมาฝึกมาปฏิบัติถ้าไม่รู้ตัวไม่รักษาตัวแล้วการเวลาที่พวกเราอยู่เสียการเสียเวลามันมีประโยชน์อะไรสิเนี่ยผ่านเข้าใจหน้าที่ของพวกเรา วันนี้เห็นว่าพอตำรวจแจ้งเวลาเลิกเปลี่ยนในบวกการที่เนี่ยพวกยอมเลิกไปก่อน